เพื่อให้ได้บุญเขตที่ยอดเยี่ยมแม้แต่ในการประกอบการงานท่านยังอธิบายไว้เลยว่าอาชีพการงานทั้งหลายที่ญาติโยมทำกันนี้ก็ทำบุญไปด้วยกันพร้อมทั้งสมอย่างได้ดังเช่นว่าในการทำอาชีพการงานนั้นพอได้เงินโยมก็คิดตั้งใจขึ้นมาว่าโอ้นี่เราได้ทรัพย์เพิ่มขึ้นแล้วเราจะเอาทรัพย์นี้ส่วนหนึ่งไปให้ทาน ทำบุญกุศลช่วยเหลือเผื่อแผ่แกเพื่อนมนุษย์ทำให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาพอคิดอย่างนี้จิตใจดีงามผ่องใสท่านเรียกว่าทานเจตนาเกิดขึ้นขณะทำอาชีพยอยู่นั้นก็ได้ทำทานไปด้วยเวลาทำการงานนั้นทำด้วยความตั้งใจให้เป็นไปโดยสุจริต ทำงานให้เป็นไปตามหน้าที่ของอาชีพให้ถูกต้องตามจรญญาบรรทำด้วยความตั้งใจตรงตามหน้าที่ของตนโดยสัตสุจริตเวลานั้นก็เรียกว่าได้รักษาศีลเวลาทำงานฝึกใจของตัวเองไปด้วยมีความเพียรพยายามมีสมาธิทำจิตใจของเราให้สงบให้มีสติ แม้จะมีอารมณ์กระทบกระทั่งเข้ามารบ ก, กวนก็ฝึกใจให้สงบมั่นคงได้รักษาเมตตาไมาตรีและความมีใจผ่องใสเอาไว้อย่างนี้ก็เรียกว่าได้ทำภาวนาไปในตัวภาวนาอย่างนี้เป็นส่วนจิตสูงขึ้นไปอีกอยังสามารถทําภาวนาในส่วนปัญญาด้วยคือทํางานด้วยวิจารณญาณ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 พอมองอย่างนี้มีความรู้เข้าใจอย่างนี้ในจิตใจแทนที่จะเกิดความรู้สึกไม่ดีก็เกิดปัญญาทำให้วางใจถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายได้ปัญญาภาวนาอีกอย่างเป็นผู้สือข่าวนี้ก็ชัดเมื่อมาที่วัดหรือไปหาข่าวที่ไหนหนึ่งทำด้วยความตั้งใจว่าเราจะเผยแพร่ข่าวสาร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 สามารถตั้งตัวอยู่ในสติที่มั่นคงดำรงกิริยาอาการที่ดีไว้ได้ที่เราได้แล้วนะภาวนาด้านจิตส่วนปัญญาภาวนานั้นแน่นอนอาชีพของเราเกี่ยวกับข้อมูลความรู้และการใช้ปัญญาเป็นแดนของการพัฒนาปัญญาในขั้นนี้หรือด้านนี้ก็คิดมุ่งไปว่า เราจะพยายามทำงานข่าวสารให้เป็นไปด้วยวิจารณญาณเลือกประเด็นที่เป็นสาระจับประเด็นให้ถูกเป็นต้นสื่อออกไปให้เกิดประโยชน์ทางปัญญาอย่างแท้จริงนี่ก็ได้ภาวนาด้านปัญญาแต่ปัญญาภาวนาอย่างสาคัญที่ผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้มากดูเหมือนจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆก็คือนักข่าวนั้น ได้พบเห็นผู้คนมากหลากหลายต่างพวกต่างหมู่ทุกชั้นเพศวัยทุกอาชีพมีนิสัยใจคอและพฤติกรรมต่างกันมีความดีความชั่วไม่เหมือนกันความคิดเห็นก็ต่างๆกันและเหตุการณ์ก็ปแปลกๆมากมายทุกอย่างที่ได้ผ่านพบนั้นถ้ารู้จักไตรตรองพิจารณามองด้วยท่าทีที่ถูกต้องก็จะทำให้เข้าใจผู้คน ทำให้มองเห็นความจริงของโลกและชีวิตแล้วก็ทำให้สามารถวางใจต่อสิ่งต่างๆได้ดีจิตใจจะโปร่งโล่งเป็นอิสระซึ่งจะเป็นประโยชน์ท่านแก่ชีวิตของตนเองและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตามที่ว่ามานี้ผู้สื่อข่าวจึงได้ทำทั้งทานทั้งศีลและภาวนาเป็นนันว่าที่พระท่านพูดไว ทางที่จะให้ทานมีเยอะเรื่องบุญก็มากมายครอบคลุมไปหมดรวมทั้งคาว่าคุณภาพชีวิตก็อยู่ในบุญหมดคนโบราณจึงไม่ต้องหาคำอะไรมาพูดเขาใช้คำเดียวว่าบุญก็จบเลยเพราะมันกลุ่มหมดทุกอย่างฉะนั้นข้อสำคัญอยู่ที่พวกเราเองอย่าไปทำให้มันแคบเวลานี้คำว่าบุญมีความหมายแคบลง เหลือนิดเดียวถึงตอนนี้เมื่อทำด้วยปัญญามีความเข้าใจชัดในความหมายก็ทำได้ถูกผลของบุญก็จะเพิ่มพูนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น